ให้มันอยู่ความส ง, งบจิตมันจะสบายไปคนไหนอยู่ใกล้ๆคนไหนเนี่ยเวลาพูดเวลาคุยจิกมันหน่อยบอกมันเตือนกันนะอย่าปล่อยให้กิเลสออกมาเพ่นพ่านเขาทึ่อจะเรียกว่าไปวัดไปวัดเนี่ยวัดอะไรวัดว่าตัวเราเองมีศีลสมาธิปัญญาแค่ไหนมีศีลคือความเรียบร้อยแค่ไหนสมาธิคือ มีความอดทนอดกลั้นแค่ไหนมีปัญญาก็คือรู้จักสลัดความคิดความอยากที่มันเกิดขึ้นในอารมณ์ได้มากน้อยแค่ไหนเนี่ยนั่นแหละเขาเรียกว่ามาวัดตัวเองว่ามีศีลสมาธิปัญญามากแค่ไหนแต่มานี่ไม่รู้อะไรวัดอะไรเลยมั่วไปหมดมันก็ไม่ได้แลวเนาะมันต้องวัดให้มันเป็นความหมดความทนเนี่ยมันได้ฝึกนะมันเป็นสมบัติที่เรา ไม่ต้องไปหาจากที่ไหนเลยมันเกิดขึ้นในเราเนี่ยสติสมาธิปัญญาเนี่ยมันเป็นสมบัตินะแต่เราไม่ฝึกเอาไม่หาไม่เอามันอาจจะค่อยๆเป็นค่อยๆไปเหมือนราชการที่6ว่านะืกล้วยไม้ออกดอกช้าฉันใดการศึกษาก็เป็นไปฉันนั้นแต่ออกดอกคราใดงามเด่นใช่เขาว่าจริงๆนะ มันงามความวามดทนเนี่ยทํามากๆเขาทําด้วยสติเนี่ยจะรู้สึกว่ามันงดงามแต่ถ้าไม่ฝึกสติไม่ฝึกสัมปชัญญะมันไม่มีความงามคนนี้เรียบร้อยเนาะคนนี้อดทนเนาะเนี่ยเราก็เลยเห็นแต่ไอสิ่งที่เป็นสิ่งที่ย่วยวนต่าง ๆ, างๆมันนุ่งเสื้อผ้าสวยงามเนื้อหนังมันดีจะอยู่ประมาณเนี่ยเรามองลึกไม่เป็นเดี๋ยวนี้คนเราก็ยกย่องสรรเสริญกันแต่เปลือกไม่เข้าไปถึงแก่น เราก็เลยหลงประเด็นนะยกย่องคนก็ยกย่องที่เปลือกไม่ยกย่องที่แก่นน่าจะยกย่งที่แก่นนะแก่นก็คือที่ใจช่วงระยะนี้เขาทำความดีถวายในหลวงในหลวงไม่อยากเอาอะไรเลยถวายอย่างอื่นแกไม่เอาอยากถวายคุณงามความดีให้ถวายคุณงามความดี ปฏิบัติดีหรือบางทีปฏิบัติรมอย่างเงี้ยเขาจะเอาโดยเสด็จพระราชกุศลอย่างเงี้ยแล้วเราทำความดีให้พ่อแม่ก็เหมือนกันนะเนะเขาก็อยากได้ความดีความงามจากเรานี่แหละพอดีความดีความงามเนี่ยถ้าสร้างเกิดขึ้นเราแล้วเราให้คนอื่นมันก็ยังอยู่ในเราอยู่แต่ถ้าเอาอยางอื่นเนี่ยเอามาให้แล้วมันหมดไปเลยอะ่นะอย่างเอาขนมนมเลยไปให้แล้วเขาเอาไปเลยนะอันเนี้ย แต่ถ้าสร้างคุณงามความดีแล้วเราไปให้คนอื่นเนี่ยมันเหมือนกับให้สิ่งที่ไม่รู้จักหมดนะเรามีความอดทนอดกลัน้นมีคุณงามความดีมีไไมนี่แบบนถ้าเราฝึกเราให้คนอื่นสบายอสบายมันเกิดจากเราก่อนคือเหมือนเราได้สมบัติก่อนแล้วเราให้คนอื่นเนี่ยคนไม่รู้นะมันเป็นเคล็ดลับแบบหนึง่งอยู่วัดกินเมื่อเดียวกินน้อย <c oughs> นอนน้อยปฏิบัติมาก ไม่ให้มันหลับกลางวันไม่คุยกันทั้งสัปดาห์ที่มาอยู่เนี่ยหลับกลางวันก็ไม่มีคุยกันก็ไม่มีแล้วตรงเวลาเนี่ยเขาเรียกฝึกเบี่ยกเบียดฝึกวิกนัยเราไม่ค่อยฝึกกันเนี่เนี่ยฝึกแต่วิชาความรู้วิชาหายอยู่หากินฝึกทักษะทักษะวิชาชีพยอย่างเดียวนะ สัมมาชีพเราไม่ได้ฝึกวิชาจรณนะสัมป น, นูคนเนี้ยเราไม่ได้ฝึกฝึกแต่ทักษะดนั้นมันก็ออกมาเป็นแบบนี้การศึกษานะ่ะมันให้คนออกมาเป็นแบบนี้ไม่ว่าที่ไหนนั้นเราเริ่มต้นฝึกหัดดัดมันมาอยู่ที่นี่อย่างไปรับอาหารเนี่ยอยอะหน่อยเขาจะให้ไปรับประทารเขาก็จะไปตามอายุนะ หกสิบปีห้าสิบปีสี่สปีสามสิบปีออกไปรับอาหารต่อกันไปไม่ใช่ต่างคนต่างไปเนยวันนี้รับมากินไม่หมดไม่ได้เอาพอดีกับร่างกายสังขารเนี่ยเขาเรียกว่าไปฝึกไปหัดมันต้องสงบเห็นไหมเขาไปตักอาหารไม่มีเสียงดังปังปังเป้งเป้องอะไรไม่มีนี่ยเน่ยไม่ได้เดินลัดขั้นตอนนี่คนมาอยู่วัดก่อนก็ไปรับก่อนคนมาอยู่รับทีหลัง ก็ไปรับที่หลังคอยดูเนี่เวลาเขากินอาหารทานอาหารนี่อันนี้พวกนี้ไม่ใช่คนสกรสักคนนะเนี่ยนั่ง เ, เขาเพิ่งจบคอร์สไปเมื่อวานยาทาปฏิยังบะวะตตามานังธาตุมัตตมีวิตังสิ่งเหล่านี้นี่เป็นสักวธาต์ตามธรรมชาติเท่านั้นตามปัจจัยอยู่เนืองนิด ยาที่ทางบินทบาตตัทุ ป, ปปุญชะโกจับปุคโลสิ่งเหล่านี้คือบินทบาตและคนผู้บริโภคบินทบาตนั้นธาตุมัตตะโกเป็นสักว่าธาตุตามธรรมชาติ นิสัตโตมิได้เป็นสัตวะวอันยั่งยืนนิชิวามิได้เป็นชีวะอันเป็นบุรุษบุคคลสุญโยว้างเปล่าจากความหมายแห่งความเป็นตัวตนบินปาปตัวจิโคจันโยกบิณฑบาต ท, ทั้งหมดนี้ไม่เป็นของน่าเกลียดมาแต่เดิมอิมังปูติกายังปตะวะ การมาถูกเข้ากับกายนเน่าอยู่เป็นนิดนี้แล้วที่คุจฉนิโยชายันติย่อมกลายเป็นของน่าเกลียดอย่างยิ่งไปด้วยกันอา้าลวงตาจะจะแถวเราไปกินข้าวนะเนี่ยเ อ, าอย้ายาติทาทางโน้นไปก่อนไปสวดียายพอง เป็นแถวเป็นแนวไปทำเหมือนมดเหมือนปลวกเนี่ยตามก้นกันไปนะมันจะดูดีเรามาวัดเนี่ยเรามาดูเอาในส่วนหนึ่งก็คือฟังท่านพูดนะเขาเรียกว่าสุตะมัยปัญญาเหมือนนิทัศการชีวิตเนี่ยอันที่สองคือดูเขาทำแล้วก็จะได้ปัญญาเกิดขึ้นจากการมาวัดนะ เราจะไปแบบเป็นประเพณีไปให้เกิดปัญญาสามารถเอาไปปรับแต่งพฤติกรรมชีวิตเราได้เาแถวหน้าเนี่ยลุกขึ้นค่อยๆไปนะเฉพาะแถวหน้านี่นะแถวหน้านเด็กนี่แหละอ้อไปไหว้แล้วก็ลุกขึ้นเดินไปเบาๆนะให้เกียรติคนแก่เขาไปก่อนดูดีเอาไปไปคนแก่ๆหน่อยไปนะ เป็นแถวได้แถวเดียวเนียในมนลพระสงฆ์นะอา้าวแถวต่อไปต่อแถวกันนะไหว้แล้วก็ลุกไปอา้าวยัดโยมไหว้พร้อมกันไม่ชี